ที่อยากจะมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมบางท่านก็มาเพราะถือเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน บางท่านก็มาเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านเช่นวันเกิดบ้างวันบารณภาพของบุคคลที่รักที่เคารพบ้างและวันนี้ก็เป็นวันพิเศษคือจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทในเวลาประมาณบ่ายโมง ก็จะมีศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมพิธีนี้ก็ได้มาร่วมทาบุญตักบาตรถวายทานการเข้าวัดนี้เป็นการเข้าเพื่อหาความรู้เพราะวัดนี้ความจริงแล้วเป็นสถาบันการศึกษา ไม่ใช่เป็นที่เผาศพไม่ใช่เป็นที่ค้าขายอย่างวังวัดจะมีตลาดนัดให้ญาติโยมได้เข้าไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารของขาวของหวานบางวัดก็จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงมีมหาสุมีเลขเกลำตัดลำวง อันนี้ไม่ใช่วัดเนี่ยควรจะเรียกว่าศูนย์การค้าหรือซีนีมาคอมเพล็กซ์ที่ไปดูภาพยนตร์ไปหากอาหารการกินอะไรต่างๆวัดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นวัดแบบนี้วัดของพระพุทธเจ้าเป็นวัดที่ให้สัตว์โลกได้เข้ามาศึกษา หาความรู้ที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขให้ไปสู่ความเจริญที่แท้จริงแต่วัดสมัยนี้เนื่องจากขาดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่สนใจที่จะศึกษากัน ก็เลยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นให้สร้างวัดไว้เพื่อทำอะไรวัดไว้เป็นที่ศึกษาไว้ที่เป็นที่บําเพ็ญปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาเหมือนกับสถาบันการศึกษาที่จะเน้นการสอนและการฝึกฝนอบรมเช่นสถาบันของ สถาบันศึกษาของทหารโรงเรียนในร้อยในเรือนี้เขาจะไม่มีการจัดตลาดนัดไม่มีมหรศลศพไม่มีกิจกรรมต่างๆที่วัดของเรามีกันเขาจะเน้นให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าไปศึกษาเมื่อสอนแล้วก็ให้เขา ฝึกหัดปฏิบัติตามที่เขาได้เรียนรู้ทหารเมื่อฝึกหัดเรียนรู้วิชัยวิธีใช้อาวุธสงครามต่างๆเขาก็จะมีการฝึกฝนให้รู้จักวิธีใช้อาวุธต่างๆให้ได้ถูกต้องให้ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและไม่ให้เกิดโทษแก่ผู้ที่ใช้ อาวุธเหลังนั้นสถาบันของพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนได้มาศึกษาวิชาที่จะไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเหมือนกับทหารที่ศึกษาวิธีวิชาการทหารวิชาการใช้อาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่างๆ ไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่ของพวกเรานี้ข้าศึกศัตรูของพวกเรานี้มันเกิดอยู่ตลอดเวลามันบุกเข้ามาเหยียบย่ําทําลายจิตใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเรากลับไม่รู้กันเรากลับยอมยกทงขาว ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของข้าศึกศัตรูเราจึงกลายเป็นทาสเป็นข่าศึกของเขาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเรากำลังมีอิสรภาพสามารถทำอะไรตามความต้องการของเราได้แต่เราหารู้ไม่ว่ามันไม่ได้เป็นอิสรภาพ มันไม่ได้เป็นการทำอะไรตามความต้องการของเราได้เพราะว่าเวลาใดที่เราขัดขืนคำสั่งของเขาเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าจะต้องถูกเขาลงโทษอย่างหนักเวลาที่เราร้องห่มร้องไห้นั่นเป็นเวลาที่เรากำลังถูกลงโทษเวลาที่เราเกิดความเครียดเกิดความหวาดกลัว เกิดความวิตกกังวลต่างๆเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เรากําลังถูกฆ่าศึกศัตรูของเราซึ่งได้มากลายเป็นเจ้านายของเราลงโทษเราเพราะเรากล้าไปที่ขัดขืนคําสั่งของเขาฆ้าศึกศัตรูของเราคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในหัวใจของเราเนี่ กิเลสตันหานี่แหละที่เป็นเจ้านายของเราที่สั่งให้เราไปทําอะไรต่างๆทําเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอกลับเคี่ยวเข็นให้เราต้องทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่เชื่อลองไปทํางานที่บริษัทดูแต่ละปีนี่เขาจะบีบให้เราหาเงินให้กับบริษัทให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ปีนี้ได้10ล้านปีหน้าต้องได้15ล้านต้องบีบเราถ้าไม่บีบเราเราจะขี้เกียจเราจะไม่ตอบแทนค่าแรงงานที่เขาจ่ายให้กับเราเขาก็บีบบังคับสั่งเราว่าเป้าหมายของปีนี้ต้องมากกว่าปีที่แล้วและก็ต้องมากขึ้นไปไเรื่อยเวลาที่เราต้องทำ ตามเป้าหมายพอเกิดอุปสรรคหรือเกิดปัญหาขึ้นมาก็สร้างความเครียดสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรากลัวจะถูกเขาตัดเงินเดือนหรือลดตำแหน่งหรือกลัวเขาจะถูกเขาพักงานให้ออกจากงานไปนี่ก็คือความเครียดที่พวกเราปล่อยให้กิเลสตันหา มันเป็นตัวสั่งการบัญชาการชีวิตของเรามันสั่งให้เราออกไปหาเงินทาทองมาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอสั่งกลับไปว่าต้องหามาเพิ่มให้มีมากกว่านี้เ uh huh. มื่อหามาได้แล้วก็สั่งให้เอาไปใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีประโยชน์กับจิตใจ กลับเป็นทำให้เป็นโทษแก่จิตใจเพราะว่าเป็นเหมือนยาเสพติดเงินทองที่เราใช้ซื้อของที่ไม่จำเป็นทั้งหลายของที่ฟุ่มเฟือยของเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดเพราะเมื่อเราซื้อมาแล้วเราจะติดนิดสัยเราอยากจะซื้อเรื่อยๆ เช่นเสื้อผ้าอาภรณองเท้ากระเป๋าของเหล่านี้ถามตัวเราเองว่าเราจะเอาสักกี่ชุดกันถึงจะพอไปเดินห้างทีไรก็อดที่อยากจะซื้อใหม่ไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ของเก่ายังใช้ไม่หมดยังเต็มตู้อยู่ยังน้นตู้อยู่แต่พอเห็นของใหม่ออกมาก็ หักห้ามจิตใจไม่ได้ฝา่าฝืนคำสั่งของความอยากของความโลภไม่ได้ถ้าฝา่าฝืนก็จะเกิดอาการหดหยิดลำคาญใจขึ้นมาเกิดอาการไม่มีความสุขขึ้นมาแต่พอได้ทำตามคำสั่งก็จะรู้สึกโล่งอกโล่งใจเบาอกเบาใจสบายใจไปชั่วคราว ตอนที่ได้จ่ายเงินได้ซื้อของแต่พอกลับมาเช็กดูยอดเงินที่มีอยู่ว่ามันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วจะไม่พอใช้ตอนนั้นก็เกิดความวิตกเกิดความเครียดขึ้นมาจะต้องรีบหาเงินมาเพิ่มอีกพอหามาได้ก็เอาไปใช้นี่คือเรื่องของการเป็นทาตของความโลภความโกรธ ความหลงความอยากต่างๆที่เราไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเขาคือข้าศึกษัตรูของเราเขาคือผู้ที่จะม า, ายึดบ้านยึดเมืองของเรายึดชีวิตของเราแล้วใช้เราเป็นเป็นอย่างทาเราจะไม่มีวันมีอิสรภาพ จากาความโลภความอยากต่างๆได้ถ้าเราไม่ต่อสู้ถ้าเราไม่ปลดเปลื้องตัวเราให้ได้อิสรภาพอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปลดเปลื้องท่านเป็นผู้ที่ได้ทำลาย ปิเลตตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจฉันถึงอยู่เป็นสุขอยู่เฉยๆได้ไม่มีใครมาสั่งให้ไปซื้อลองเท้าไปซื้อกระเป๋าไปซื้อเสื้อผ้าไปกินไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาคนนั้นคนนี้ มาเป็นคู่ครองมาเป็นคู่กรรมมาเป็นคู่กับ<ม>อยู่คนเดียวสบาย<ม>กับอยู่ไม่ได้ต้องไปหาคู่ต่อสู้มาตกมาตีกันมาทะเลาะมาวิวาทกัน<ม>พออำนาจของตันหาความอยากอยากจะมีแฟนอยากจะมีความสุขกับคนนั้นคนนี้แต่หารู้ได้ว่า พอได้ามาแล้วความสุขมันแค่ปล่อยลิ้นเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานรับประทาน่านเวลาสัมผัสกับลิ้นก็ อ, ร, อร่อยพอปืนเข้าไปในท้องแล้วมันก็หายไปหมดมีแต่ว่าจะต้องมีความทุกข์ต้องไปตรวจทุกต่อไปในวันรุ่งขึ้นนี่เรามองไม่เห็นกันเรากับคิดว่าเรากำลังทำ ด้วยความเป็นอิสระภาพของเราเราอยากจะทำอะไรเราก็ทาได้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากทำนี้เป็นสิ่งที่จะมาทำลายเป็นสิ่งที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างที่พวกเราทุกวันนี้ทุกกันอยู่ก็ไม่ได้ทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยากไม่เชื่อลองสังเกตดู เวลาที่เรามีความไม่สบายใจเรามีความทุกข์ใจเราลองถามตัวเองว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรเราไปสมัชชาแล้วเราไม่ได้งานนี้เรารู้สึกอย่างไรเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ ถ้าเราไม่อยากจะได้งานเราก็ไม่ต้องไปสมัครงานให้ทุกไปเปล่าๆเพราะความอยากได้งานอยากได้งานเพราะอะไรเพราะอยากได้เงินอยากได้เงินเพราะอะไรอยากได้เงินเพื่อจะได้ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปซื้อของต่างๆได้อันนี้เป็นความอยากที่ทำให้เราเนี่ต้อง คอยรับใช้อยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันความสุขก็มีเพียงเดียวเดียวพอจะหลอกให้เราคิดว่าเรากาลัง ม, มีความสุขกันแต่พอมันผ่านไปแล้วมันก็หายไปหมดไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความเศร้าส้อยหายเหงา ที่อยากจะออกไปเที่ยวเองแล้วถ้าไม่มีเงินเงินไม่พอเที่ยวก็จะทุกข์ใจจะไม่สบายใจอยู่บ้านก็ไม่มีความสุขนี่คืออำนาจของตัณหาความอยากของกิเลสความโลภที่คอยคอยผลักดันเราคอยกดดันเราอยู่ตลอดเวลา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 เพราะแทนที่เราจะไปคิดว่าเขาเป็นข้าศึกศัตรูเรากลับไปคิดว่าเขาเป็นลูกน้องเราเราสั่งให้เขาทํานู่นทานี่แต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนสั่งเราไม่ใช่เราสั่งเขาเขาสั่งให้เราไปซื้อบุหรี่มาสูดสั่งให้เราไปซื้อสุรามาดื่มความจริงเราไม่ได้สั่งเขาแต่เขาสั่งเรา แล้วเราพอสูบบุหรีแล้วเราดื่มสุราแล้วเราพอไหมสูบบุหรีไปแล้วพอหมดซอกแล้วเราบอกว่าพอแล้วสูบมาเยอะแล้วต้องยี่สิบมวนดื่มสุราหมดไปต้องหลายขวดแล้วมันจะบอกว่าพอหรือยังมันกลับบอกว่าไม่พอต้องซื้อมาสูบอีกต้องซื้อมาดื่มอีกแล้วเมื่อไหร่จะพอ มันก็บอกว่าไม่มีวันพอหรอกถ้าตาบใดทำตามคำสั่งของเราเราก็จะสั่งคุณไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนคุณคัดค้านคุณฝ่าฝืนคำสั่งของเราต่อไปเราก็สั่งคุณไม่ได้พอสั่งคุณไม่ได้คุณก็จะรู้สึกว่าพอ ท, ทันทีไม่มีความอยากที่จะลืมอีกต่อไปไม่มีความอยากที่จะสูกบุเริกต่อไป นี่แหละคือวิธีที่พวกเราจะทำให้เราได้เป็นอิสระภาพทำให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองแล้วก็วุ่นวายกับการไปซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆเพราะถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากแล้วใจของเราจะมีความสุข โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องหาอะไรนี่คือใจของพ่อพระพุทธเจ้าใจของพระอาลหลังตสาวกทั้งหลายท่านเอาชนะความอยากได้เจ้าเอาท่านเอาชนะความโลภได้ไม่มีใครจะมาสั่งให้ท่านไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะใจของท่านไม่หิว เวลาไม่มีความอยากไม่มีความโลภนี่ใจมันจะอิ่มมันจะพออยู่ตลอดเวลามันจะอิ่มจะพอได้ก็ต้องต่อต้านต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาเวลาอยากได้อะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรที่ไม่จําเป็นเราต้องฝืนมันอย่าทําตามมา ถ้าจำเป็นก็ทำเท่าที่เท่าที่จำเป็นเช่นร่างกายของเรานี้ยังต้องการอาหารยังต้องการน้ำดื่มยังต้องการเสื้อผ้าที่ อ, อาศัยยารักษาโรคเราก็ให้มันตามเท่าที่จำเป็นอย่าไปให้ความอยากมันมาแทรกมาเกี่ยวด้วย เช่นบ้านก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเคระหา์าราคาเป็นสิบล้านร้อยล้านบ้านก็มีไว้สำหรับหลบแดะหลบฝนหลบภัยต่างๆถ้าไม่มีเงินซื้อก็เช่าเขาอยู่ก็ได้ถ้าเป็นพระนี่ก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะพธเจ้าอยู่โคนไม้อยู่ตามถ้ำอยู่ตามเงื้อผา อยู่ตามเรือนร้างท่านอยู่ได้ที่ไหนพอหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้ก็พอแล้วไม่ต้องไปทำตามความอยากอยากได้บ้านระดับห้าล้านสิบล้านร้อยล้านเวลานอนหลับมันก็ไม่รู้แบกว่านอนในนอนในบ้าน5ล้าน10ล้านหรือร0อยล้านแต่เวลาตื่นเนี่ยมันจะรู้แล้วมันจะปวดหัว ถ้าซื้อเงินผ่อนมันจะต้องคอยหาเงินมาผ่อนบ้างเพราะฉะนั้นอย่าทําตามความอยากทําทตามความจําเป็นแล้วก็ทําตามกําลังทําตามฐานะของเราถ้าเรามีมากอยากจะซื้อบ้านแพงขึ้นไปหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่เดือดร้อนอย่าไปเป็นหนี้อย่าไปเป็นอย่าไปสร้างหนี้ เพราะการสร้างนี่ก็ทำให้เราเป็นทาสที่เราจะต้องหาเงินมาใช้หนี้เขา น, นี่คือข้อยกเว้นในเรื่องของการกระทำที่เรายังจำเป็นจะต้องทำอยู่ถึงเวลาต้องรับประทานอาหารก็รับประทานแต่รับพอประมาณรับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอิ่มก็พอแนละ้วอย่ารับประทานตามความชอบ มันจะมากเกินไปทุกวันนี้คนเราชอบรับประทานกันมากร่างกายเราเลยเป็นตุ่มกันแทนที่จะเป็นขวดเดีย๋ยวนี้เป็นตุ่มซะส่วนใหญ่เดินไปไหนมาไหนนี้มักจะเจอตาตุ่มขวดไม่ค่อยเจอก็เพราะว่าสมัยนี้เราอยู่ดีกินดีมีความสามารถหาอาหารหาอะไรต่างๆมาบริโภค ก, กันได้มาก เราก็เลยถูกความอยากมันสั่งให้รับประทานแบบไม่มีขอไม่มีเคแล้วเราก็ต้องไปเหนื่อยกับการออกกำลังกายต้องไปเข้าสถาน อ, าออกกำลังต้องเสียเงินเสียทองกินเข้าไปแล้วยังต้องไปเสียเงินเพื่อที่จะเอามันออกมาอีกฉลาดเหงื่อโง่ถ้าเอาเข้าไปมันมากเกินไปก็เอาเข้าไปน้อยหน่อย มันก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินไปรีดไขมันไปรีดอะไรต่างๆออกจากร่างกายถ้าเราไม่กินมากมันก็ไม่มีน้ำหนักเกินมันก็จะไม่อ้วนมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ ย, เ, ยเราเสียเงินเสียทองเพื่อกินแล้วไม่พอแล้วก็ต้องมาเสียเงินเสียทองเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บจากที่เรากินนี่ เนี่ยมันฉลาดเลยก็เหมืนหาเงินแทบเป็นททบตายต้องไปเป็นลูกน้องต้องไปรับคําสั่งจากเจ้านายให้เขากดขี่บังคับให้หาเงินมาพอได้เงินมาก็ใช้ตามความอยากกันอยากจะกินก็กินกันกระทั่งกินไม่ลงถึงจะหยุดกินอยากจะดื่มก็ดื่มกันจนกระทั่งดื่มไม่ไหวแล้วผลก็เกิดขึ้นที่ร่างกาย ร่างกายก็เกิดน้ำหนักมากก็ต้องไปออกกําลังกายก็ต้องเหนื่อยต้องทุก์กับการออกกาลังกายเป็นโรคภยัยไข้เจ็บก็ต้องไปซื้อหยูกซื้ อ, อยาไปหาหมอมารักษาโรคที่เกิดจากการรับประทานมากเกินไปนี่คือการกระทำต่างความอยากที่พวกเราต้องพยายามต่อต้านให้ได้ถ้าเราอยากจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราต้องรับประทานอาหารให้เหมาะกับความต้องการของร่างกายอย่ารับประทานมากจนเกินไปนี่คือปัญหาของพวกเราที่ไม่รู้ว่าข้าศึกศัตรูของพวกเราคือใข่กลับไปคิดว่าข้าศึกศัตรูเป็นมิตรของเราเป็นเพื่อนของเรา พอเขาบอกเขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็รีบทำตามทันทีทำด้วยความยินดีแต่ไม่ไม่คิดถึงผลเสียหายที่จะเกิดตามมาต่อไป <c oughs> เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้ามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีต่อสู้กับข้าศึกศักตรูของพวกเรา การที่เราจะเอาชัยชนะจากฆ่าศึกศัตรูได้เราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำแทนที่จะหาเงินพระพุทธเจ้าบอกว่าให้สละเงินไปอย่ามีเงินมากไวไวมากจนเกินไปไว้มีเท่าที่จำเป็นก็พอแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเครียดกับการทำมาหากินหาเงินหาทอง และเราจะได้มีเวลามาสร้างอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของพวกเราคือการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญานี่คืออาวุธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในการทาลายข้าศึกัตรูคือความโลภความอยากต่างๆพอข้าศึกษัตรูถูกทาลายเป็นหมดแล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าเวลาที่ได้ไปทำอะไรได้ไปดูอะไรได้ไปฟังอะไรได้ไปดื่มได้ไปรับประทานอะไรนี่แหละคือการเข้าวัดเข้ามาเพื่อศึกษาหาความรู้เมื่อรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็นาเอาไปปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติได้สำเร็จก็จะได้บรรลุได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเป็น่าของความโลภของความอยากทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้ก็เพราะความอยากเป็นผู้สั่งให้เรามาเกิดไม่ใช่อะไรเลยพอเกิดแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการ นิ่นรลนต่อสู้รักษาชีวิตนิ่นรลนต่อสู้หาความสุขต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกขกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้เพราะภายในในที่สุดเราก็ต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะฉลาดเราจะหายง่ แล้วเราจะสามารถดำเนินชีวิตของเราเพื่อไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขสู่ความเจริญที่แท้จริงได้ต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งคกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ